การทำวัดสวดมนต์ของพระกรรมฐานสายท่านอาจารย์มัน่นกิจนี้คล้ายกับเป็นขนบธรรมเนียมที่ท่านอาจารย์เสาท่านอาจารย์มัน่นพาบำเพ็ญมาคือวันปกติธรรมดาท่านไม่นัดให้มีการประชุมไหว้พระสวดมนต์เลยจะมีเฉพาะวันอุโบสถปาธิโมกเท่านั้นที่ท่านพาทำวัดก่อนลงอุโบสถเป็นประจำทุกอุโบสถ วันธรรมดาแม้จะมีการประชุมอบรมพอถึงเวลาพระมารวมกันพร้อมแล้วท่านก็เริ่มธรรมบรัรยายเป็นภาคปฏิบัติไปเลยทีเดียวตอนก่อนหรือหลังจากการอบรมท่านที่มีข้อข้องใจก็เรียนถามท่านได้ตามอัธยาศัยพอถามปัญหาจบลงท่านก็เริ่มชี้แจงให้ฟังจนเป็นที่เข้าใจหลังจากการอบรมถ้าไม่มีปัญหาสอดแทรกขึ้นมาต่างก็พร้อมกันคราบเลิกประชุม และไปสถานที่อยู่ของตนเท่าที่ทราบมาที่ท่านไม่นัดประชุมทำวัดเช้าเย็นนั้นท่านประสงค์ให้พระเนนทาวัดและสวดมนต์ตามอัธยาศาัยโดยลำพังจะสวดมากน้อยหรือถนัดในสูตรใดและเวลาใดก็ให้เป็นความสะดวกของแต่ละรายไปดังนั้นการทำวัดสวดมนต์ของท่านจึงเป็นไปโดยลำพังแต่ละรายตามเวลาที่ต้องการและเป็นภาวนาไปในตัว เพราะความระลึกอยู่ภายในอย่างเงียบไม่ได้ออกเสียงดังเช่นทาด้วยกันหลายคนบางองค์ท่านสวดมนต์เก่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็มีท่านว่าท่านเพลินไปกับบทธรรมะที่สวดนั้นๆกว่าจะจบสูตรที่สวดในคืนหนึ่งๆจะกินเวลานานท่านสวดตามความถนัดใจในสูตรต่างๆทั้งสูตรสั้นสูตรยาวสมัยท่านอาจารย์เสาท่านอาจารย์มั่นท่านชอบสวดมนต์มาก และสวดทีละนานานขณะสวดจิตก็มิได้กังวลไปกับอะไรมีความเพลิดเพลินไปกับบทธรรมะที่สวดจนจิตสงบเย็นไปในเวลานั้นท่านอาจารย์เสาท่านอาจารย์มั่นนท่านสวดมนต์เก่งแต่ไหนแต่ไรมาจนกระทั่งหมดความสามารถที่จะสวดได้ในเวลาป่วยหนักขณะที่ท่านเริ่มสวดจะได้ยินเสียงพึมพึมเบาๆ เ, เ, เรื่อยไปไม่ขาดวขาดตอน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 ขนรรมเนียมหรือพิธีการต่างๆเกี่ยวกับพระ ก, กรรมฐานขออภัยเรียนตามความจริงที่เป็นไปโดยมากพระ ก, กรรมฐานสายนี้รู้สึกจะคร่ำครืออยู่มากเกี่ยวกับพิธีการหรือขนบม ร, รมเนียมต่างๆของสังคมดังนั้นเวลาท่านถูกนิมนต์มาในงานพิธีต่างๆจึงอาจได้พบเสมอในความไม่สันทัดจัดเจนของพระ ก, กรรมฐานสายนี้ ที่แสดงอาการเก้อเก้อเขินเขินอยู่ในพิธีนั้นๆเช่นในงานศพงานสวดมนต์ชันเช้าเป็นต้นเวลาท่านถูกนิมนต์มาเฉพาะวงคณะพระกรรมฐานด้วยกันก็ดีมาสับปนกับพระอื่นๆที่ท่านมีความสันทัดจัดเจนในพิธีนั้นๆก็ดีความระเกะระกกะไม่น่าดูต่างๆจะมารวมอยู่กับพระกรรมฐานทั้งสิน้นบางทีท่านผู้เป็นเจ้าภาพอาจทนอายแขกเรือทั้งหลาย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 จึงมักปฏิบัติไม่ถูกกับกาลเทศะที่โลกนิยมกันท่านไม่ทราบจะจับได้สายศีนมือไหนจับพัดมือไหนชักบางสุกูลมือไหนอย่างไรจึงจะถูกตามความนิยมบางครั้งท่านยังจับพัดเอาข้างในของพัดออกข้างนอกแลวเอาข้างนอกของพัดเข้ามาข้างในจนประชาชนและคณะลูกศิษย์ที่นั่งดูอยู่ทนไม่ได้ต้องหันหน้าเข้าฟ้าก็มีเพราะอายแทนท่าน ส่วนท่านเองยังคงอยู่สบายระหว่างเฉยเราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่ประชาชนทนดูไม่ไหวแท้มุสิสะลงพื้นไปตามๆกันพระกรรมฐานท่านเป็นอย่างนี้เองผู้เขียนนี้ก็ตัวสำคัญที่ถูกนิมนต์ไปขายหน้าเจ้าภาพและคณะลูกศิษย์บ่อยที่สุดโดยมากในกรุงเทพที่ถูกนิมนต์มาในงานศพ บ, บ้างพิธีอื่นๆบ้างขอร้องไม่ให้นิมนต์มา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 เราทราบเรื่องของการและกันได้ดีว่าคร่ำครึจริงๆเนื่องจากไม่ได้สำเนียกศึกษาทาั้งนี้มาก่อนพอถูกนิมนต์ทีไรจึงต้องโดนเอาโดนเอ า, เอาแทบทุกงานและทุกองค์ไม่ว่าแก่หรืออ่อนพรรษาบางทีเสร็จงานแล้วออกมาลูกศิษย์ฝ่ายคารวะสงสารยังตามมากระซิบบอกว่าท่านทำไมทำอย่างนั้นน่าอายจริงๆแต่ท่านเองยังไม่ทราบว่าทำผิดอะไรเะอีก จนเขาต้องกระซิบบอกว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นต่อไปมันผิดเดี๋ยวเขาจะขโมยหัวเราเอาวันนี้ผมก็หน้าชาไปบ้างเหมือนกันพอเห็นท่านทำซึ่งพระที่นี่ท่านไม่ได้ทำกันดังนี้พอไปที่หลังก็โดนอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าอีกแล้วยิ่งกว่าเด็กเส อ, อีกไม่รู้จักจดจำบ้างเลยเรื่องเป็นอย่างนี้แหละรากรรมฐ า, านสายนี้ที่ถูกนิมนต์เข้ามาในงานพิธีต่าง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 และจับข้างนอกเข้าข้างในตัวเองแล้วหลับตาให้ศีลเขาอยู่อย่างสบายวางเฉยอุเบกขาองค์ผู้มองเห็นเองอดคำไม่ได้โดยสุดวิสัยที่จะเตือนท่านเพราะอยู่ห่างไกลกันต้องทนอายและนั่งเฉยไปจนเสร็จพิธีเวลากลับออกมาจึงพูดหยอกเล่นกันว่าแม่วันนี้ทาสิเต็มยศเจียยนะผู้ทนดูแทบใจขาดตาย ส่วนท่านองค์นั้นไม่ทราบจึงถามว่าเต็มยศอะไรกันเระท่านจับพัดอันหลังพัดออกสู่แขกอันหน้าพัดเข้าสู่ตัวแล้วหลับตาให้เสียเฉยอยู่ได้จะไม่ให้ว่าเต็มยศก็รู้สึกจะใจดำน้ำขุนเกินไปก็จำต้องชมเชยกันบ้างเพื่อสมศักดิ์ศรีกรรมฐานไงละ่ะท่านองค์นั้นงงและยิ้มเล็กน้อยแล้วถามว่าอย่างนั้นจริงๆริรือก็ไม่ได้สนใจนี่นานึกว่าพัด แล้วก็จับยกขึ้นว่าไปเลยไม่ได้สะดุดใจคิดว่าด้านหน้าด้านหลังเป็นด้านไหนอะไรกันนี่นี่แหละเรื่องกรรมฐานมักจะขายหน้าอยู่ทุกแห่งทุกหนในงานพิธีต่างๆจะว่าขายกันก็ยอมรับเพราะความจริงเป็นอย่างนั้นแม้ผู้เขียนก็เคยเป็นมาเสยิ่งกว่าเคยเนื่องจากการสำเนียกศึกษาหนักไปคนละทาง ส่วนทางระเบียบวินัยแล้วท่านรู้สึกองอาจไม่ค่อยสะทกสะทานวันไหวในสังคมทั่วไปเพราะท่านศึกษาและปฏิบัติอยู่เป็นประจำอิริยาบถส่วนขนบธรรมเนียมหรือพิธีการต่างๆนั้นนานๆถึงจะมีครั้งหนึ่งและไม่อยู่ในข่ายแห่งความสนใจนักจึงมีความเคลื่อนคลาดบาดตาอยู่เสมอสำหรับผู้เขียนเคยโดนมาจนหน้าอับอายและเข็ดหลับแต่ก็ยังไม่ไหว ที่จะโดดอยู่เรื่อยมาจนบัตรนี้